จเจริญพรทุกท่าน ท, ท่านผู้ว่าประมาณผู้กำกับรู้สึกจังหวัดนี้ตำรวจจะมาฟังเทศเยอะที่สุดเลยจังหวัดอื่นตำรวจน้อยกว่านี้ช่วงเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยที่หลวงพ่อจะคุยกับพวกเรา ขอให้พวกเราตั้งใจฟังหน่อยก็แล้วกันถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกได้นะชีวิตเราจะเปลี่ยนหลวงพ่อกล้าท้าเลยพนระาหลวงพ่อไปเทศมาหลายประเทศละเทศมาหลายจังหวัดทั่วประเทศเนะี้ยไปต่างประเทศเ้าไปคนที่เขาฟังซีดีฟังดู YouTube อะไรพวกนี้เขาก็พอนาเป็น แล้วชีวิตจิตใจเขาเปลี่ยนเคยทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้นๆงั้นเราให้ความสนใจสักหน่อยนะเพื่อเปลี่ยนชีวิตของเราให้ดีขึ้นถ้าทำไดนะ้มันจะเหมือนเกิดใหม่ในร่างเก่านี้แหละเราเหมือนเป็นคนใหม่เลยเราจะรู้แล้วว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านะวิเศษอศัศจรรย์ที่สุดเลย นี่เวลาที่จะฟังหลวงพ่อเทศนะฟังสบายๆนะไม่ต้องพนมมือก็ได้แต่ไม่ถึงขนาดไหวห้างอะไรกันนะน่าเกลียดเป็นนิดหนึ่งนั่งสบายๆํยำตัวสบายๆแล้วใครเปิดมือถือนะช่วยปิดเสียงก่อนช่วยปิดเสียงแล้วระหว่างที่หลวงพ่อเทศเนี่ยขอ้องอย่าถ่ายรูปทาไมไม่ให้ถ่ายรูป ขณะฟังธรรมต้องใช้สมาธิถ้าสมาธิของเราเสียเนี่ยคนมาถ่ายรูปเราว๊บแวบๆ๊แวหรือเราลุกขึ้นถ่ายรูปเองเนี่ยจิตเราจะฟุ้งซ่านถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่านเราฟังธรรมะที่ประนีตลึกซึ้งไม่ได้หรอกมันตื้นได้แต่ของตื้นๆฟังจบแล้วก็ได้แต่รูปถ่ายกลับบ้านไม่ได้อะไรเลยเสียเวลาเปล่าๆ เ, เวลาที่เราฟังธรรมเนี่ยก็เหมือนเวลาที่เราเข้าเฝ้าพระพุท ธ, ธเจ้า เราพระพุทธเจ้าท่านปรินิพานก่อนปรินิพานเน่ยท่านบอกประนอนุนว่าธรรมวินัยจะเป็นศาสดาแทนท่านเราั้นเวลาที่พวกเราฟังธรรมนะคือเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคิดดูสิถ้าเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเราควักกล้องมาถ่ายรูปเนี่ยนะมันจะน่าเกลียดขนาดไหนนะเราอย่าทําอะไรน่าเกลียดฟังด้วยความสงบด้วยความสํารวมไม่ต้องสงบจนขลึมจนเครียดนะ ฟังได้ใจที่สบายๆรู้เนื้อรู้ตัวไปเท่าที่หลวงพ่อทราบมานในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยไม่ค่อยมีสำนักปฏิบัติเท่าไหร่หรอกเราจะไม่ค่อยคุ้นกับการปฏิบัติกรรมฐานไม่คุ้นเลยนั่นแหละดีเรียนง่ายบางที่คุ้นกับกรรมฐานมากทำกรรมฐานผิดผิดมานะต้องมานั่งแก่ ส่วนใหญ่ที่ทํากรรมาฐานกันทําแบบเคร่งเครียด บ, บังคับกายบังคับใจเคร่งเครียดเกินไปธรรมะจริงๆไม่เครียดนะธรร ม, มระภาวนาแล้วหายเครียดไม่ใช่ภาวนาแล้วเครียดมากกว่าเป่าแต่ถ้าภาวนาผิดเราเครียดจัดเลยมีหรือคราวหนึ่งไปเทศรโรงบานบ้าโรงบานบ้า น, านี่แหละแต่เทศให้หมอฟังนะเทศให้คนดีๆฟังคนบ้าไม่ได้มาฟังหรอกฟังไม่รู้เรื่อง เทศเสร็จแล้วหลกเขาก็มีจีวรมีอะไรถวายหลวงพ่อก็ถามว่ามีคนไข้เป็นพระบ้างไหมนึกว่าไม่มีนะถ้ามีก็ฝากเอาไปถวายด้วยโอ้ยเขาบอกพระเยอะเลยทําไมพระเป็นบ้าเยอะหนึ่งภาวนาผิดงั้นถ้าภาวนาผิดนะอย่าภาวนาซะดีกว่าทําไงจะภาวนาไม่ผิดรู้หลักของการปฏิบัติให้มันแม่นๆ่นซะก่อนการภาวนาจะง่ายมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย กา <Es> รปฏิบัติธรรมเนี่ยจริงๆแล้วคือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้อยู่ในร่างกายเรียนรู้อยู่ในจิตใจของเรานี่แหละเรียนรู้จนเรารู้ความจริงว่าจริงๆร่างกายเราเป็นยังไงจริงๆจิตใจของเราเป็นยังไงถ้าเรารู้ความจริงของร่างกายเรารู้ความจริงของจิตใจแล้วเนี่ยความทุกข์มันจะเข้าไม่ถึงใจเราอย่างทุกวันนี้เราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะว่าเราแก่เวลาแก่เราทุกข์ไหม ลองนึกถึงสมัยผมงอกเส้นแรกขึ้นรู้สึกไงสดชื่นไหมโอ้ยผมงอกแล้ว mm hmm. รุ่มใจเลยนะรีบส่องกระจกใหญ่หาทางถอนทีแรกก็ถอนไหวตอไปถอนไม่ไหวนะต้องย้อมเมาทาไมแก่แล้วเราทุกข์เพราะเราไม่เห็นความจริงของร่างกายจิตมันไม่ยอมรับความจริงว่าร่างกายนี้ต้องแก่เวลาเราเจ็บไข้ไม่สบายเราก็รุ่มใจ ทำไมกลุ้มใจเพราะเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าร่างกายนี้ต้องเจ็บไข้เวลาจะตายยังไงก็ต้องตายกําลังจะตายใกล้จะตายล้วกลุ้มใจมากเลยไม่อยากตายมีความทุกข์ทางจิตใจขึ้นมาความทุกข์ในร่างกายมันก็เต็มที่ขึ้นมาแล้วละยังจะมีความทุกข์ทางจิตใจอีกมันไม่อยากตายความตายรู้สึกนาความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เราแต่ถ้าเราเคยปฏิบัติธรรมนะเราเคยเห็นความจริงของร่างกายนะ ร่างกายยังไงก็ต้องตายถ้าใจมันยอมรับความจริงนะว่าร่างกายมันต้องตายได้นะการที่เรากำลังจะตายนี่เราก็ได้เห็นความจริงได้เผชิญกับความจริงไม่หวั่นไหวงั้นการที่คนเรามีความทุกข์นะทุกข์เพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายเนี่ยเพราะเราไม่รู้ความจริงของร่างกายเราไม่รู้ว่าร่างกายเนี่ยมันต้องแก่มันต้องเจ็บต้องตายที่เรามาหัดกรรมฐานเนี่ยเพื่อหัดเพื่อให้จิตใจเนี่ยมันได้ยอมรับความจริง ให้มันเห็นความจริงว่าร่างกายจริงๆมันเป็นยังไงมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายถ้ามันยอมรับความจริงได้มันจะไม่ทุกข์ถ้ามันยอมรับไม่ได้มันจะทุกข์งั้นเนี่ยเราเรียนกรรมฐานนะเรียนเพื่อให้จิตใจเนี่ยได้เห็นความจริงความจริงของร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าจิตใจยอมรับตรงนี้เมื่อแก่ก็ไม่เห็นแปลกอะไรร่างกายมันแก่ะเมื่อเจ็บก็ไม่แปลกอะไรร่างกายมันเจ็บเมื่อจะตายก็ไม่แปลกอะไรร่างกายมันจะตาย มันไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเราตายใจมันจะเปลี่ยนไปหรือบางคนก็มีความทุกข์ทุกข์เพราะพลาดพลากจากคนที่รักจากสิ่งที่รักเคยอยู่กับคนนี้มีความสุขต้องพลาดพลากคนที่เรารักไปรักคนอื่นซะแล้วหรือบางทีรักกันอยู่ดีๆีลดความตายไปเนี่ยเราพลัดพลากจากคนที่รักหรือบางทีเราก็ทุกข์เพราะเราเจอคนที่เราเกลียดเจอสิ่งที่เราไม่ชอบ ความทุกข์เนี่ยเกิดจากทางร่างกายก็ได้ร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายความทุกข์ที่เกิดทางจิตใจก็มีความทุกข์จากการที่ต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบความทุกข์จากการที่ต้องพลัดพรากสิ่งที่ชอบความทุกข์จากความที่มีความอยากเกิดขึ้นแล้วมันไม่สมอยากอย่างเราอยากเป็นผู้กํากับเนีเป็นตํารวจนะตอนนี้เป็นจ่าอยู่อยากเป็นผู้กํากับเนี่ยยิ่งอยากมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุก ข, ข, เข์เยอะนะ ยิ่งอยากมากก็ยิ่งทุกข์เยอะงั้นเวลามีความอยากเกิดขึ้นนะ่ะความทุกข์มันจะตามมาเสมอเลยยิ่งอยากรุนแรงความทุกข์ก็รุนแรงอยากนิดหน่อยความทุกข์ก็นิดหน่อยถนะ้า ล, ลดลงไปแต่ถ้าเรามาเรียนรู้ความจริงนะถ้าเราสังเกตให้ดนะีจิตใจมันอยากได้อะไรแน่ที่จริงแล้วจิตใจอยากได้ความสุขจิตใจอยากจะพ้นจากความทุกข์งั้นที่เราดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ก็เพื่อจะให้มันมีความสุขเพื่อจะดิ้นรนให้หนีความทุกขานั้นเลยอย่างอยากมีแฟนสวยๆนะคงไม่ได้คิดว่ามีแฟนสวยจะมีความทุกข์หรอกอยากมีแฟนสวยๆก็หวังว่าจะมีความสุขอยากจะมีลูกฉลาดฉลาดก็หวังว่าจะมีความสุขมีลูกโง่ๆกลุมใจสู้ใครก็ไม่ได้นะมีความทุกข์อยากมีตําแหน่งใหญ่ๆอยามีเงินเยอะๆอะไรเนี่ยจริงๆแล้วก็คืออยากได้ความสุขเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้คือความสุข แต่ถ้าเรามาหัดภาวนาจนเราเห็นความจริงนะเพราะว่าความสุขในชีวิตเราเนี่ยมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีหรอกความสุขที่คงที่ลองนึกย้อนไปในอดีตนะว่าพวกเราในอดีตในชีวิตเราเนี่ยตอนไหนมีความสุขบ้างลองนึกย้อนลองไปสิมีไหมใครนึกได้บ้างว่าในอดีตมีความสุขบางช่วงรู้สึกัหมแต่มันก็ผ่านไปแล้วมันอยู่ชั่วคราวมันก็ผ่านไป อย่างเวลาเราไปจีบสาวหลวงพ่อเป็นคารวะนานเมื่อจีบสาวเป็นแต่ตอนมาบวชนี่ไม่ได้จีบแล้วนะตอนมาบวชนี่เบื่อหน่ายเห็นสาวๆก็อย่างนั้นแหละเพรารู้ว่าไม่นานมันก็แก่นะเวเราจีบสาวได้แล้วมันมีความสุขปรากฏว่าสาวมันสาวไม่นานผู้หญิงเนี่ยมีความแปลกอย่างเลยนะแก่เร็วมันแก่เร็วนะแล้วนิสัยใจคอเ <c> น <oughs> ี่ยก็เปลี่ยนเร็วด้วย อย่างผู้ชายมันจะโง่นะมันจะคิดว่าแต่งงานไปแล้วเนะี่ยผู้หญิงจะเหมือนเดิมตลอดไม่เหมือนเดิมร่างกายก็เปลี่ยนสูทโทมลงอย่างรวดเร็วนิสัยใจคอนะก็มักจะแย่ลงแย่ลงนะขี่บนขึ้นเรื่อยๆนะทําไมที่บน่นเป็นเรื่องธรรมดาผู้หญิงรับภาระมากนอกบ้านก็ต้องทํางานนะเข้าไปในบ้านสามีก็ไม่ช่วยทายํางานยังทําสกปรกอีกเลยนะนะลูกเต้าอะไรก็เอาแต่เล่นสนใจแต่เล่นเกมอนะไรอย่างนี้ยก็เครียดสิเครียก็ต้องบนนะ่น่ะ ระบายความเครียดด้วยการบ่ น, บนสาวๆก็บ่นน้อยนะพอแก่ก็บ่นเะก่งนะความชํานาญมันมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยผู้ชายไม่ไปคิดว่าผู้หญิงจะเหมือนเดิมผู้หญิงเปลียนอย่างรวดเร็วนะส่วนผู้หญิงก็โง่อย่างนะคิดว่าผู้ชายจะเปลี่ยนได้อย่างบางทีผู้ชายมาจีบนะก็เห็นไอ้นี่เจ้าชู้แล้วก็คิดว่าเดี๋ยวแต่งกับเรานะจะอบรมมันให้ดีแล้วให้หายเจ้าชู้นี่เป็นความโง่นะไม่หายหรอกนะนี่ใส่คนนะ้ำหมื่นปีก็ไม่เปลี่ยน แถ้าเรารู้ลงไปนะรู้ลงไปหัดรู้ความจริงของชีวิตเนะี่ยเราจะเห็นเลยว่าความสุขมันเป็นของชั่วคราวนะมีแฟนสวยมันก็สุขชั่วคราวมีแฟนหลอ่อมันก็ชั่วคราวนะมีเงินมีทองใช้มีตําแหน่งมีชื่อเสียงมีอํานาจมันก็ชั่วคราวหมดเลยอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อนะท่านผู้ว่ามาลําดับญาติกับหลวงพ่อเป็นรุ่นน้องบอรุ่นหลวงพ่อน ะ, กะเกษียณไปหมดแล้วนะเคยใหญ่นะเคยใหญ่ เคยใหญ่แต่วันนี้ไม่ใหญ่แล้วกเกษียณไปหมดแล้วเนะนี่ยอํานาจวาสนานะอยู่ช่วคราวแล้วก็หายไปตอนยังใหญ่อยู่ไปไหนคนก็ไหว้เขาไหว้เพราะเขานับถืออะไรก็ไม่รู้นะจริงๆเขาอาจจะไม่นับถือก็ได้เราต้องดูตอนที่กเกษียณแล้วว่าเขายังไหว้ยอยู่หรือเปล่านะถ้าเขายังไหว่ยอยู่ก็แสดงว่าใช้ได้นะเนี่ยอำนาจวาสนานะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนสมบัติกลัดกันชมตลอดเลยดังนั้นถ้าเรามาหัดรู้หัดดู ความจริงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราในจิตใจของเราเราจะเห็นเน่ยความสุขทุกอย่างที่อยู่ในใจเราเนี่ยที่ผ่านเข้ามานะเราอุตส่าห์ทุบเททําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะได้ความสุขมาเนี่ยความสุขมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ไปความทุกข์เหมือนกันความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่พวกเราเกลียดพวกเรากลัวแต่ถ้าเราใจกล้าๆหน่อยนะเราสังเกตลงไปความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวเหมือนกันพวกเราใครเคยอกหักบ้างมีไหมยกมือซิ ไอ้ใครโอหกกักบ้างยกมือหน่อยแล้วท่านผู้ว่ายัางยกเป็นคนแรกเลยนะคนอื่นไม่ต้องเขินนะตอนออหกักทุกข์มากใช่ไหมเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปนะความทุกข์มันก็ของชั่วคราวนะความสุขมันก็ของชั่วคราวเนี่ยถ้าเราหัดกรรมาฐานเนะี่ยเรามาเรียนรู้ความจริงของร่างกายร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทางจิตใจเราก็เรียนรู้ความจริงนะสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรใดก็ชั่วคราวเนี่ยเราจะมาหัดดูของจริงอย่างเนี้ยดูจนวันหนึ่งใจมันยอมรับ ถ้าใจมันยอมรับความจริงว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะมันจะไม่เดือดร้อนเวลาจะแก่จะเจ็บจะตายถ้ายอมรับความจริงว่าความสุขความทุกข์นะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเป็นของชั่วคราวเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวเวลาที่เผชิญกับความทุกข์เราก็ไม่หวั่นไหวเวลาความสุขมาเราก็ไม่หลงระเริงนะเรามีอํานาจวาสนาอะไรก็แไม่หลงระเริงเรารู้ว่าของชั่วคราวนั้นเวลาที่เรามีความสุขเรามีอานาจวาสนามีเงินมีทองนะ แล้วใจเรารู้ว่ามันเป็นของชั่วคราวเราจะไม่หลงระเริงถ้ามันจะเสียไปนะใจมันจะยอมรับง่ายกว่าคนที่ไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยไม่เคยเห็นความจริงเรื่องนี้เลยงั้นเราจะต้องมาหัดเรียนรู้ความจริงนะความจริงในร่างกายอันหนึ่งความจริงในจิตใจอย่างหนึง่งจะเริ่มต้นด้วยความจริงในกายก่อนก็ได้หรือจะเริ่มจากความจริงทางจิตใจก่อนก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเรา ว่าทั้งความจริงในร่างกายความจริงในจิตใจนะมันก็ความจริงอันเดียวกันก็คือว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นของชั่วคราวอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปแล้วทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะบังคับได้จริงอย่างร่างกายเนี่ยเราก็บังคับมันไม่ได้จริงสั่งไม่ให้แก่มันก็จะแก่สั่งไม่ให้เจ็บมันจะเจ็บสั่งไม่ให้ตายมันจะตายจิตใจก็เหมือนกันสั่งให้มีความสุขมันก็ไม่ค่อยจะมีความสุขเวลามีความสุขขึ้นมาแล้วนะสั่งให้ความสุขอยู่นานๆมันก็ไม่อยู่ สั่งว่าอย่ามีความทุกข์มันก็มีมีความทุกข์แล้วสั่งให้ความทุกข์หายเร็วๆมันก็ไม่หายเนี่ยเราจะมาเรียนจนกระทั้งใจมันรู้ความจริงนะว่าทุกอย่างทั้งกายทั้งใจของเราเนี่ยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะใจจะกลออกจากความยึดถือในร่างกายในจิตใจต่อไปไม่ทุกข์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราลงมือปฏิบัติทำจริงจัง เรียนรู้ความจริงของกายของใจคําว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปคิดว่าคือการนั่งหลับปูหลับตานะไม่ใช่การเดินจงกรมไม่ใช่การนั่งสมาธิไอ้ e res, นั่นแค่เปลือกของการปฏิบัติเท่านั้นการปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยคือการพาจิตใจนะให้มันมาเรียนรู้ความจริงความจริงของร่างกายความจริงของจิตใจนะไม่ใช่ทําจิตใจให้ไม่รู้เรื่องอะไรนั่งหลับเคลื่อนเคลื่อนไปออย่างนั้นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงในพุทธศาสนาหรอก การนั่งสมาธิทําให้ใจสงบนะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมันสูงกว่านั้นลําพังการนั่งสมาธิให้ใจิตใจสงบเนี่ยมันสงบได้มันก็ยังฟุ้งซ่านได้อีกเพราะความสงบก็ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าถึงมองแล้วไงว่าแค่ฝึกจิตให้สงบนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านอีกพวกเราเคยอ่านพุทธประวัติไหมใครเคยอ่านใครเคยฟังบ้างมีไหม เป็นชาวพุทธไม่เคยรู้เลยแย่มากนะขอตำหนิ <Heaven> ไม่รู้เลยพุทธเจ้ามีประวัติอะไรนะไม่รู้เรื่องเลยใช้ไม่ได้นะ <Mouse> ถ้าเราเคยศึกษาพุทธประวัติเนี่ยเราจะรู้เลยเจ้าชายสิทธ า, ทาออกจากวังมาอยากจะมาหาธรรมะสิ่งแรกเลยที่เจ้าชายทำก็คือไปหาฤาษีไปหัดนั่งสมาธิก็เหมือนกับที่พวกเรารู้สึกอ่ะทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่ต้องคิดถึงการนั่งสมาธิทุกทีเลยเจ้าชายสิทธาก็คิดแบบเดียวกัน เจ้าชายสิทธัถานั่งสมาธิเก่งเพราะบารมีท่านสูงนะไปเรียนจากฤาษีไม่กี่วันนะ่ะจบหลักสูตรของฤาษีเข้าฌาญได้เข้าฌาญได้ถึงฌานที่เจ็ดฌานที่แปดฌานที่เจ็ดเนี่ยนะทุกอย่างว่างเปล่าไปหมดเลยไม่มีอะไรสักอย่างเลยเหลือแต่ความรู้สึกตัวอยู่อย่างเดียวในฌานที่แปดเนี่ยความรู้สึกตัวก็เกือบจะดับนะแทบจะไม่รู้สึกเลยก็สบายมากเลยนี่พอออกจากฌานมานะเจ้าชายสิท ธ, ธัถาก็เห็นอีก ออกจากสมาธิมาเขายัางทุกข์อีกนะความทุกข์มันก็กลับมาอีกก็เลยถามอาจารย์ว่ามีวิธีปฏิบัติอะไรที่ดีกว่านี้ไหมอาจารย์บอกไม่มีแล้วล่ะจบหลักสูตรแค่นี้ท่านใบ้ใบ้เลยวิธีนี้ใช้ไม่ได้เพราะในการที่จะไปนั่งสมาธิให้ใจสงบนะยิ่งหลังๆเนี่ยนั่งสมาธิเราเห็นนนท์เห็นนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นั่งแล้วก็เห็นเทวดาเห็นผีเห็นลูกโกงลูกแก้วเห็นพระพุทธรูปนะ นั่งเห็นอะไรต่ออะไรสารพัดเลยไม่เคยเห็นกายเห็นใจของตัวเองนะเรียกว่าไม่มีสาระเลยไปสนใจของไม่มีสาระนะทิ้งสิ่งที่มีสาระคือไม่เรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองถ้าไม่รู้กายรู้ใจของตัวเองพ้นทุกข์ไม่ได้พ้นทะุกข์ไม่ได้จริงเพราะนั้นพวกเราถ้าจะสนใจการปฏิบัติเนี่ยอย่าไปวาดภาพว่าการปฏิบัติคือการต้องไปนั่งสมาธินานๆต้องไปเดินจงกรมวันละหลายๆชั่วโมงนะมันอยู่ที่ว่านั่งอยู่นะมีความรู้สึกตัวอยู่ไหม เดินอยู่มีความรู้สึกตัวอยู่ไหมงัม้นเดินอยู่ข้างถนนนี่แหละเรารู้สึกตัวอยู่นะนั่นคือการปฏิบัติธรรมนะตอนหลวงพ่อทํางานรับราชการอยู่สภาความมั่นคงแห่งชาติอยู่ในธรำเนียบรัฐบาลก่อนเนี้ยตอนกลางวันเนี้ยถ้าเรากินข้าวเสร็จนะมันมีเวลาเหลือนิดหน่อยเราจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมเนี้ยคนมันจะดูแปลกๆเนจะรู้สึกว่าอิตาคนนี้มันแปลกเว้ยเพราะอะไรคนในโลกนี้มันไม่สนใจธรรมะแล้วล่ะถ้ามันเห็นใคร ปฏิบัติธรรมนั้นจะรู้สึกว่าแปลกๆ แ, แล้วมันจะชอบลองดีนะอย่างพวกเราบางคนถ้าใครเข้าวัดเข้าอะไรนะเพื่อนจะชอบแซวเวลาเราโกรวอ่ะเข้าวัดมาตั้งนานแล้วมันเห็นดีขึ้นเลยชอบว่าอย่างนี้นะเพราะั้นหลวงพ่อเวลาภาวนาตอนเป็นโยมเนีนไม่ให้คนรู้เลยกินข้าวเสร็จแล้วทําไงจะเดินจงกลมเดินไปวัดใกล้ๆที่ทํางานนะอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลนะบางวันเดินไปวัดโสมนัสบางวันเดินไปวัดเบญจ่าเดินไปนี่แหละแล้วคนถามว่าไปทำอะไรไปไหว้พระ อย่างนี้เขาพอรับได้ใช่ไหมบอกเราจะเดินจงกลมกลับไปกลับมานะมันรู้สึกอนิบาลเพราะโลกนี้มันโลกของคนบ้านะเราไม่บ้าตามมันมันว่าเราบ้าหนักเลยนี่ยเราพ่อเดินไปวัดแล้วก็เดินกลับมาะเนี่ยเดินปฏิบัติธรรมทั้งหมดเลยทุกก้าวที่เดินเนี่อรู้สึกตัวคําว่ารู้สึกตัวไม่ใช่เรื่องลึกลับนะรู้จักใจลอยไหมใจลอยเป็นไหมเป็นแน่นอนวันหนึ่งใจลอยมากกว่ารู้สึกตัวปกติ เวลาที่ใจลอยคือเวลาที่ไม่ได้รู้สึกตัวเวลาที่รู้สึกตัวคือไม่ใจลอยนั้นต่อไปเนี่ยฝึกให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะก่อนที่เราจะเรียนรู้ความจริงของร่างกายก่อนจะเรียนรู้ความจริงของจิตใจได้เนี่ยต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนงั้นวันๆอย่าเอาแต่ใจลอยนะคอยรู้สึกตัวไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนรู้สึกตัวเดินรู้สึกตัวนั่งรู้สึกตัวนอนรู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวเรื่อๆอย่าใจลอย รู้จักใจลอยใช่ไหมรู้จักไหมเด็กเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักคําว่าใจลอยนะแต่พวกเราหน้าตาไม่เด็กน่าจะรู้จักหลวงพ่อเคยถามเด็กนะว่าใจลอยรู้จักไหมไม่รู้จักระเมอเมรู้จักไหมเออรู้จักนะเมอเมอใจลอยถ้าคนหน้าตาขนาดนี้ก็ยังรู้จักคําว่าใจลอยใจมันหนีไปมันลืมตัวเองไปเนี่ยต่อไปนี้นะพยายามรู้สึกตัวเรื่อย วิธีที่จะทําให้รู้สึกตัวได้บ่อยก็ต้องซ้อมหายใจออกก็ค่อยรู้สึกตัวเห็นว่าร่างกายกําลังหายใจออกหายใจเข้าก็รู้สึกตัวเห็นว่าร่างกายกําลังหายใจเข้าหัดให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละคือภาวะแห่งการมีสมาธิที่ถูกต้องนะไม่ใช่สมาธิที่เห็นโน่นเห็นนี่นะสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญาเนี่ยคือความรู้สึกตัวงั้นให้จิตใจมารู้สึกตัวเรื่อยๆ ต้ซ้อมหายใจออกก็ค่อยรู้สึกตัวหายใจเข้าก็รู้สึกตัวเอาทุกคนลองยิ้มซิยิ้มหวานหวานยิ้มหวานเลยนะคล้ายๆสาวมาบอกรักหรือหนุ่มมาบอกรักครั้งแรกยิ้มรู้สึกไหมร่างกายกำลังยิ้มลองพยักหน้าสิเห็นไหมร่างกายมันรู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้าเนี่ยคอยรู้สึกนะค่อยรู้สึกธรรมดาธรรมดานี่แหละไม่ต้องรู้สึกแบบเข้มข้นนะเช่นอ้าวยิ้มสิยิ้มลนะ เอาพยักหน้าสิอย่างนี้ไม่เอานะมันผิดธรรมชาติใช้สภาวะที่ธรรมดาธรรมดานี่แหละหายใจไปรู้สึกตัวไปนะยิ้มไปรู้สึกไปไหว้พระนะก็เห็นร่างกายมันไหว้พระไปเห็นปากมันอ้าไปเกนะจะกราบพระก็เห็นร่างกายมันกราบใจเราเป็นคนดูนะี่ฝึกไปเรื่อยๆนะถ้าเราฝึกบ่อยๆนะต่อไปร่างกายมันขยับนิดเดียวมันจะรู้สึกนะ จิแจมจะรู้สึกตัวนั้นจะดูง่ายๆไม่ยากอะไรเลยอย่างเราเป็นตำรวจนะตำรวจสรเป็นจราจรเนนะี่ยเราหันซ้ายหันขวาเนี่ยอย่าดูแต่รถรู้สึกตัวไปด้วยถ้าดูแต่รถอย่างเดียวเดี๋ยวใจก็งุนหงิดเป็นตำรวจงุนหงิดง่ายนะเจอความเครียดสารพัดจะเครียดเลยแรงกดดันเยอะนะเจ้านายก็กดดันชาวบ้านก็กดดันใครๆก็กดดันหมดเลยนะเวลา ผู้ไล่มาเขาเรียกตำรวจที่อบอาตำรวจหายไปไหนนะเวลาตำรวจไปเดินตรวจท้องที่มากนะเมื่อวุ่นวายยัามาถ่ายเงินนะเห็นไหมมันว่าทั้งขึ้นทั้งล่องนะงั้นตำรวจนี่ก็เครียดหนักเลยงั้นแทนที่เราจะไปเสียเวลาเราคอยรู้สึกตัวไปด้วยนะฝึกปฏิบัติทําไปด้วยนะจะโบกรถจะเดินถนนจะทําอะไรนะคอยรู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไปด้วยแล้วถ้าจิตใจของเราเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมานะ ให้คอยรู้ทันไปด้วยเนี่ยเราเรียนรู้กรรมฐานนะกรรมฐานที่ง่ายที่สุดเลยเรียนรู้กรรมฐานคือรู้ความจริงของร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่รู้ความรู้สึกของตัวเองนะคอยรู้ไปเรื่อยๆอย่างใจเราโกรธรู้จักโกรธไหมโกรธเป็นไหมเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยคนทั่วไปจะทําอะไรคนทั่วไปเวลาโกรธเนี่ยจะไปดูไอ้คนที่ทําให้เราโกรธนะต่อไปนี้เรากลับข้างเลยนะเวลาโกรธรู้ว่าโกรธ รู้ว่าโกรธซะก่อนนะแล้วค่อยดูคนอื่นดูใจของเราก่อนรู้ว่ากําลังโกรธอยู่เวลาโลภเห็นสาวสวยเดินมาใจมันชอบรู้ว่าชอบซะก่อนคนทั่วไปพอเห็นของสวยของงามมานะจะไปดูของสวยของงามไม่ดูว่าใจกําลังชอบเนี่ยมันพลิกกันนิดเดียวนะระหว่างคนปฏิบัติกับคนไม่ปฏิบัติการปฏิบัติทำจริงๆนะไม่ได้เรื่องพิสดารอะไรเลยนะเรื่องธรรมดาธรรมดานี่เองห ย, ย่าใจลอยรู้สึกตัวไว้ ร่างกายเดินร่างกายยืนร่างกายเดินนั่งนอนนะร่างกายยิ้มร่างกายหน้าบึง้งร่างกายแยกเขี้ยวยิงฟันรู้สึกไปเรื่อยแล้วเราจะรู้สึกนะร่างกายนี่มันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะเคลื่อนไหวไปมาใจเราเป็นแค่คนดูแล้วก็มาดูความรู้สึกนะความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนเสมอเลยเวลาตาเรามองเห็นความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเวลาหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยน <that> อย่างเราได้ยินเสียงชมใช่ไหมใจเราก็พองเลยเราได้ยินเสียงด่านะใจเราก็เดือดเลยเนี่ยคนเวลาคนอื่นเขาชมนะ mm hmm. ก็หมดแต่เพือนไปไม่รู้ว่าใจกําลังพองเวลาโดนคนเขาว่านะ ก, ก็ใจมันเดือดขึ้นมาไม่รู้ว่าใจกําลังเดือดปรับนิดเดียวเองนะย้อนกลับมาคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองมันเกิดขึ้นสดๆร้อนๆตลอดเวลาเลยถ้ารู้ได้นะหลพ่อกล้ารับรองเลยเดือนเดียวเท่านั้นนะ่ะชีวิตจะเปลี่ยนนะไม่ใช้เวลานา น, านเลย งั้นเราเราหัดนะหัดรู้ความรู้สึกของตัวเองคนทั่วไปมันรู้ก็รู้ได้นะรลภเป็นยังไงก็รู้จักโกรธเป็นยังไงก็รู้จักดีใจเสียใจเป็นยังไงก็รู้จักอิจฉาก็รู้จักอิจฉาเป็นไหมอิจฉาก็เป็นใช่ไหมผู้ชายก็อิจฉาเป็นนะน้อยใจเป็นไหมเออเป็นผู้ชายก็น้อยใจเป็นเช่นปีนี้เราคิดว่าเราควรจะได้สองขั้นแล้ว น, นายไปให้คนอื่นนี่ชักน้อยใจเนะี่ย ปกติเนี่ยเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไปกระทบอารมณ์ข้างนอกนะตามองเห็นรูปใจเราเปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจเราเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิด น, นึกความรู้สึกมันจะเปลี่ยนคนทั่วไปเนี่ยรู้ก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้งั้นต่อไปนี้นะคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไว้เวลาโกรธขึ้นมาก็อย่ามัวแต่ดูคนที่ทําให้เราโกรธให้รู้ทันใจที่กําลังโกรธอย่ากลับบ้านนะทะเลาะกับเมีย โกรธเมียปุ๊บให้ดูความรู้สึกโกรธอย่าเพิ่งไปดูเมียนะถ้าดูเขาจะยิ่งโกรธมากกว่าเก่าให้เรารู้ทันที่ความรู้สึกของเราก่อนนะความรู้สึกโกรธหายไปแล้วเนะี่ยมันจะเป็นคนที่มีเหตุผลและไม่ใช่คนที่ใช้อารมณ์นะตํารวจนี่จําเป็นมากนะถ้าเราใช้อารมณ์นิดเดียวเราพลาดเลยแล้วพลาดบางทีแก้ยากเลยบางเรื่องนี้พลาดพลาดทั้งชีวิตเลยนะเสียอย่างเสียโอกาสในชีวิตเราเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นตํารวจเนี่ยหลวงพ่อเห็นใจนะเครียดมาก นะมันพลาดนิดเดียวก็เสียไปเลยงั้นเราคอยเรียนรู้จิตใจของเราไว้นะไม่มีใครจะมาช่วยเราได้เท่าที่เราจะช่วยตัวเองต่อไปนี้มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันเช่นนายด่านะนายด่าโกรธมากเลยถ้าเราไม่ดูใจตัวเองว่าโกรธนะเราไปชคหน้าไหนใช่ไหมจะเจริญไหมโอกาสเจริญยากนะประวัติจะต้องขึ้นหลาเลยไอ้คนที่เคยชคนายนะนายที่ไหนมัจะให้เลื่อนตําแหน่งใช่ไหมม่นก็กลัวมาชกมันสิต้องเอาไว้ไกลๆ เพราะต่อไปนี้นะง่ายที่สุดเลยคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปความรู้สึกในร่างกายก็ได้ร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกหรือความรู้สึกทางจิตใจก็ได้มีความสุขขึ้นมาก็รู้มีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้นะดีใจก็รู้เสียใจก็รู้โลภก็รู้โกรธก็รู้หลงก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้อย่างผู้หญิงเป็นเยอะนะหดหู่ เป็นโรคหัวถูนะซึมเศร้าแล้วก็ปล่อยให้ความรู้สึกเศร้าๆเนี่ยครอบงาใจนะปล่อยเอาไว้ด้วยซ้าไปนะเพราะว่าอยากเป็นนางเอกนะสวมวิญญาณ น, นางเอกถามจริงๆใครเคยทำใจให้เศร้าๆบ้างมันจะมีความรู้สึกแบบนางเอกนะบิวความรู้สึกชีวิตล้นท้อย่างเงี้ยนะบิวขึ้นมาทางนั้นเลยแล้วจะรักษามันไว้ด้วยนะจะอยู่นา น, านๆชอบเผื่อว่าจะมีใครเขาเห็นใจเนี่ จริงใครก็จะเห็นใจหน้าตาคนเศร้ามองเนียเห็นแล้วก็ไม่มีใครเขาอยากมองหรอกใช่ไหมถ้าใจเรารู้ใจเราตื่นเนี่ยสิคนมันจะเข้าคิวมาจีบเราเพราะว่ามันเข้าใกล้เราเรามีความสุขงั้นมีนะผู้หญิงมีคนเข้าไปสัมภาษณ์ว่าทํายังไงถึงสวยนี่สัมภาษณ์หลายคนนะมีอยู่คนหนึ่งมันบอกว่าเพราะฟังซีดีหลวงพ่อประโมทนะไม่ได้ทาแป้งไม่ได้ทาแป้งหน้าก็นวลนะ ไม่ต้องทําอะไรเลยหน้าใสตาใสไม่ต้องหยอดตานะไม่ต้องทําอะไรเลยสดใสอยู่กันนะ่ะมันสวยได้นะด้วยความรู้สึกตัวนี่แหละหัดรู้สึกตัวไปหัดรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเพราะความรู้สึกเร็วๆมันครอบงําใจไม่ได้จิตใจมีความสุขจิตใจสบายจิตใจร่าเริงเบิกบานหน้าตามันก็ดีเองบางคนหน้าตาดูไม่ได้นะตั้งแต่เกิดหน้าตาเนี่ยอาพับมากเลยคล้ายๆพ่อนี่ไม่มีหัวสถาปัตย์เลยนะผลิตออกมานะหน้าตาน่าเกลียดมากเลย แต่พอมหัดภาวนานะมันมันเบิกบานอยู่ข้างในนะคนเขาก็ยังอยากจะดูนะอยากเข้าใกล้พอเข้าใกล้แล้วเ ข, า, วเขามีความสุขบางคนหน้าตาดีไม่มีใครอยากเข้าใกล้เข้าใกล้แล้วน่ากลัวนะเนี่ยเราต้องมาฝึกนะงนั้นรูปร่างหน้าตาต้นทุนเดิมของเราจะน่าเกลียดไงก็ไม่เป็นไรหรอกนะที่พูดเรื่องนี้เพราะหน้าตาพวกเราดูไม่ค่อยได้หลายคนนะดูเหี่ยวเหี่ยวเฉาเฉานะอายุกเย็เยอะเยะกันแล้วเนี่ยต้องมาฝึกใจเขา้า ฝึกใจให้มันผ่องใสใฝึกใจให้มันร่าเริงให้มันมีความสุขให้มันรู้เนื้อรู้ตัวนะพอจิตใจมันดีขึ้นมานะหน้าตามันก็ดีสุขภาพก็จะดีขึ้นด้วยนะแล้วเวลาที่เกิดอะไรรุนแรงในชีวิตเราเนี่ยสติปัญญาเนี่ยมันจะมาช่วยเราได้ลูกศิษย์หลวงพ่อเนียมีเต็มบ้านเต็มเมืองนะไม่รู้กี่แสนหรอกปรากฏว่าพวกใจร้อนเยอะชอบขับรถเร็วรถว่ำรถงาย รถหมุนรถตะแคงอะไรนี้เยอะมากเลยมันไม่ค่อยเป็นอะไรกันหรอกนะแต่ละคนอะ่ะ mm. ก็บอกว่าหลวงพ่อขลังนะในรถมีเหรียญหลวงพ่อสักเหรียญหรือเปล่าไม่มีเพราะไม่เคยทําในรถมีแต่ซีดีใช่ไหมซีดียังขลังเลยเนี่ยคิดอย่างคนโง่นะความจริงไม่ใช่หรอกเ ข, เขาหัดฟังซีดีเขาอะไรนะหัดเจริญสติหัดรู้ทันจิต ใ, ใจของตัวเองนะเวลาที่เกิดภาวะฉุกเฉินในชีวิตขึ้นนะจิตมันจะดีดผางออกมาเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะ มันเห็นในรถกําลังหมุนอยู่จิตมันไม่ตกใจสักนิดเลยนะจิมเป็นคนดูสบายๆหัวกําลังจะโขกข้างนี้แนละ้กําลังจะโขกแล้วหลบซะหน่อยเอนี่แค่หูแหว่งไปนิดเดียวเนี่ยนะแค่หน้าถลอกแค่อะไรเงี้ยไม่ค่อยเป็นอะไรเวลาฉุกเฉินขึ้นมานะจิตมันจะดีดขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะงั้นฝึกไว้นะบางคนน่ะไม่สบายไม่สบายมากเลยนะไปหาหมอทีแรกก็ไม่สบายนิดหน่อยหรอก ไปหาหมอหมอรักษาไปรักษามาเกิด อ, อาการแทรกซ้อนแพ้ยาที่หมอให้นะทาท่าจะตายเอานะหมอเนี่ยตื่นเต้นคนนี้ต้องคอยบอกหมอหมอตอนนี้หัวใจเริ่มผิดปกติแล้วนะอย่างนี้นะเมื่อตัวเองไม่ตกใจนะตัวเองไม่ตกใจจิตนมันออกมาเป็นแค่คนดูมันไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยเมื่อมีสติมีปัญญาในการแก้ปัญหานะไม่ได้ตื่นเต้นตกใจอย่างบางคนนะไฟไหม ที่เขาเล่ากันนะไฟไหม้แล้วแบกตุ่มวิ่งหนีใช่ไหมหรือไปแบกอะไรที่ไม่มีราคาวิ่งหนีมันตื่นเต้นหลงพ่อเองตอนเด็กๆตอนสิบขวบไฟไหม้ข้างบ้านนะขนาดนั้นสิบขวบเองนะแต่ว่าหัดภาวนา ม, มาตั้งแต่เจ็ดขวบตอนสิบขวบไฟไหม้ข้างบ้านนะบ้านเป็นตึกแถวนะเห็นไฟไหม้ตกใจตกใจนะี่ลุกขึ้นมาวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านนะลุกขึ้นมานะจะวิ่งวิ่งไปจะไปบอกพ่อนะว่าไฟไหม้ ก้าที่1ยังตกใจเก้าวที่2ย่งตกใจเพราะเอสถึงเก้าที่สามเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยตกใจนะเก้าวที่สมกระทบพื้นเนี่ยนะมันเห็นจิตที่กําลังตกใจนะสติมันเกิดอัตโนมัตินะมันรู้ทันว่าจิตกําลังตกใจอยู่ทันทีที่รู้ว่าตกใจนะความตกใจขาดสะบั้นลงตรงนั้นเลยกลายเป็นภาวะแห่งความรู้ความตื่นความเบิกบานขึ้นมาแทนไม่มีความตกใจเดินสบายๆไปบอกผู้ใหญ่ว่าไฟกําลังจะไหม้บ้านแล้วนะใกล้ไฟลามมาแล้ว แล้วตัดจากนั้นนะยืนดูคนอื่นตกใจใจมันไม่ตกใจด้วยแต่ตอนเด็กๆเกนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าภาวะอันนี้มันเกิดจากอะไรคิดว่ามันมันแล้วก็จําไม่ได้นะจนหลังหลังมาพอนานถึงรู้มันเกิดจากที่จิตเรามีสติมีสมาธิขึ้นมาสติสมาธิอันนี้เกิดจากการที่เราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองนี่แหละให้คอยรู้สึกไว้นะอย่างเราไปยิงกับผู้รายย้ายเงี้ยใจมันโกรธให้รู้ว่าโกรธก่อน ใจมันกลัวให้รู้ว่ากลัวนะสติปัญญามันจะทํางานได้เต็มที่เลยแทนที่จะต้องโมโหกลัวมันมากนะเวลากลัวมันมากเนี่ยเวลายิงต้องยิงหัวมันแต่ถ้าไม่กลัวมันอาจจะยิงขามันเพระจับตัวมันได้เนี่ยถ้ายิงหัวมันนะเรื่องยาวถูกสอบสวนอีกยาวเลยงั้นสตินะสำคัญนะสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยสําคัญเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้ ไม่ใช่ธรรมะหนีโลกไปอยู่ในถ้ำคนเดียวอย่างนั้นไม่เก่งเท่าไหร่หรอกเก่งจริงต้องอยู่ตรงนี้แหละอยู่ในโลกธรรมดานี้แหละอยู่กลางเมืองนี้แหละนะภาวนาของเราได้ใช้ชีวิตธรรมดามีเมียก็ได้มีลูกก็ได้แต่อย่ามีเมียหลายคนอย่ามีลูกหลายคนนักก็แล้วกันนะมันวุ่นวายรวยก็ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วต้องยากจนนะมีโอกาส ร, รวยถ้าไม่ได้โกงใครรวยได้ก็รวยทำมาหากินเราเป็นชาวาัด พระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญว่าให้โจงยากจนไวไ้ก่อนนะท่านบอกให้ความสุขจากการมีทรัพย์ใช่ัหมจะมีทรัพย์ก็ทำมาหากินเก่งความสุขจากการมีทรัพย์ความสุขจากการใช้ทรัพยนะ์ความสุขจากการอะไรอะ่ะมีอยู่สี่อย่างนะไม่เป็นหนี้นะเนี่ยเลี้ยงชีวิตพอดีพอดีเนะี่ยเรามีความสุขของเราได้นะงั้นไม่ใช่ว่าต้องลาบากยากจนนะนับปฏิบัติ ไม่จําเป็นต้องนุ่งผ้าถุงก็ได้นะบางคนนะจะต้องนุ่งผ้าถุงจะรับราชการถึงเวลามาทํางานจะนุ่งแต่ผ้าถุงมาอย่างเงี้ยนะก็ดูประหลาดนะหรือเป็นตํารวจหญิงนะถึงเวลาจะเข้าเวรก็นุ่งผ้าถุงมาอย่างเงี้ยนะแล้วบอกชั้นปฏิบัติธรรมไม่จําเป็นการปฏิบัติธรรมไม่เกี่ยวกับผนะ้านุ่งนะจะนุ่งผ้าอะไรก็ได้ขอให้นุ่งก็แล้วกันนะท่านั่งท่าเดินไม่สําคัญหรอก นึกถึงหลวงพ่อคุณได้ไหมหลวงพ่อคุณท่านั่งของท่านน่ะนั่งไม่เหมือนใครใช่ไหมหลวงพ่อคุณอ่ะถ้าท่านนั่งอย่างนั้นท่านรู้สึกตัวเนี่ยท่านภาวนานะท่านปฏิบัติธรรมนะอย่า ง, ยงพวกเรานั่งอย่างนี้แล้วก็ใจลอยเคลิม้มลืมเน้อลื ม, ล ม, ลมตัวเรียกว่านั่งสงเดชไม่ได้ปฏิบัติหรอกไม่เกี่ยวกับท่านั่งไม่เกี่ยวกับอาหารการกินบางคนก็คิดว่าการเป็นบาตรต้องกินเจไม่เกี่ยวเลยกินอาหารไม่ต้องกินอย่างอื่นหรอก สิ่งที่เราต้องการกินคืออาหารไม่ใช่ต้องกินพิซซ่าต้องกินโน่นต้องกินนี่นะเรื่องมากกว่าเปล่าต้องกินแต่ผักถึงจะภาวนาดีไม่จริงถ้าเรากินผักแล้วเราภาวนาดีนะวัวควายมันรู้มรกผลไปก่อนเราแล้วละ่นะมันกินผักกินหญ้าตลอดเวลามันไม่เกี่ยวส่วนสําคัญมาอยู่ที่การฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่แหละให้มันรู้เนื้อรู้ตัวนะคอยรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไปจิตใจมีความสุขก็ให้รู้ จิตใจมีความทุกข์ก็ให้รู้จิตใจดีก็ให้รู้จิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงก็ให้รู้ไปหัดรู้ตรงนี้นะแล้วถ้าเจอกันค่าวหน้าเราจะกล้ามาหาหลวงพ่อนะเราจะมาบอกหลวงพ่อว่าชีวิตผมหรือชีวิตดิฉันนะเปลี่ยนไปแล้วะเราจะเปลี่ยนไปแล้วเราจะเป็นคนใหม่นะมีชีวิตที่สดชื่นเบิกบานมีชีวิตที่รู้เนื้อรู้ตัวมีชีวิตที่เข้มแข็งอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยไม่หวั่นไหวเลยนะ คนที่เรารักจะตายไปต่อหน้าต่อตามันก็เรื่องธรรมดานะบ้านเราอยู่ของเราดีๆนะมันมาตั้งโรงงานเคาะเหล็กเคาะถังอะไรอยู่ข้างบ้านเราหนุกหูใจเราก็ยังไม่ทุกเท่าไหร่นะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตมันอยู่ได้ไม่ทุกหรอกนะฝึกนะเพื่อว่าชีวิตเราจะได้ดีขึ้นจะได้ทุกน้อยลงวิธีฝึกง่ายๆไม่มีอะไรมากหรอกพยายามรักษาศีลห้าไว้ก็พอแล้วไม่ต้องศีลแปดศีลห้าก็พอแล้วนะ รักษาศีลห้าให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้ถ้าศีลขาดก็นึกต่อใหม่นะว่าตั้งใจจะไม่ทําอีกก็แค่นั้นเองไม่ต้องไปขอกับพระนะเนี่ยขอมากๆศีลพระหมดเลยนะแล้วก็บอกพระไม่มีศีลไม่มีได้ไงโยมมาขอไปหมดละคนละห้าข้อห้าข้อนะร้อยคนมันก็ห้าร้อยข้อยังไม่พอแจกเลยไม่ต้องไปขอใครศีลตั้งใจรักษาเองตั้งใจว่าเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่น ด้วยกายด้วยวาจาสินห้ามีแค่นั้นแหละตั้งใจไว้ไม่เบียดเบียนคนอื่นทางกายทางวาจานะก็อย่าไปเบียดเบียนสติของตัวเองด้วยการขี้เลาเมากยาก็แค่นั้นเองนะเป็นการไม่เบียดเบียนทางกายทางวาจาไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยแล้วก็มาฝึกจิตใจให้อยู่กันเนื้อกับตัวภาวะที่จิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวคือภาวะที่มีสมาธิถัดจากนั้นก็มาเรียนรู้ความจริงนะ เห็นร่างกายมันทํางานเห็นจิตใจมันทํางานโนะดยเฉพาะพวกเราดูจิตดูใจไปเลยง่ายดีนะจะเห็นเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าเห็นอย่างนี้นะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ทุกหรอกความสุขก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหามากนะมันจะมีความสุขอยู่ในตัวเองนะความทุกข์ก็ไม่กลัวมันเพราะมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็ไป น, นชีวิตมันจะเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้น ไปลองดูนะไปลองรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องไปใช้คําว่าดูจิตก็ได้บางคนฟังแล้วงงดูจิตดูไงเอาอะไรไปดูดูอยู่ที่ไหนเรื่องมากนะเอาแค่ว่าคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆเอาแค่นั้นแหละแล้วไม่นานนะเดือนสองเดือนเท่านั้นแหละชีวิตเปลี่ยนไปลองดูนะแล้วดูว่าที่หลวงพ่อพูดเนี่ยโม้หรือเปล่ากล้าท้าเลยนะแต่ว่าเดือนสองเดือนที่ว่าให้ไปดูเนี่ยหมายถึงดูบ่อยๆนะ ไม่ใช่ดูวันที่1ทิงวันที่สามสิบเอทิงแล้วบอกดูมาเดือนหนึ่งแล้วไอย้ยานั้นเพิ่งดูได้สองวันหัดดูบ่อยๆหัดดูไปทุกวันทุกวันความรู้สึกของตัวเองนะีของหน้าดูที่สุดเลยเรารู้เรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องตัวเราเองนะอย่างเราแต่ละคนเนี่ยเราจะคิดว่าเราเป็นคนดีแต่ถ้าเราหัดรู้ทันจิตใจของตัวเองรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเราจะรู้โอ้ยโคตรเลยแต่ละคนนะร้ายกว่าที่คิดเดยอะเลยไม่ใช่คนอื่นร้ายอย่างเดียวนะเรานี่แหละร้าย ธรรมดาถ้าเราไม่ได้หัดภานานะเราเห็นแต่คนอื่นร้ายนะแต่ถ้าเรามาภนานานะเรารู้เลยโคตรร้ายไม่ใช่คนอื่นหรอกอยู่ที่นี่เองเลยร้ายที่สุดเลยแต่พอเรารู้ทันความชั่วร้ายของตัวเองนะมันจะค่อยๆสลายไปนะชีวิตจิตใจเราจะโปร่งเบานะจะมีความสุขไม่มีอะไรเหมือนหรอกไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรวิเศษมีคุณค่าเท่ากับธรรมะนี้หรอกลองดูนะในเวลาที่หลวงพ่อเทศน์ที้40นาทีเท่านั้นเองนะถ้าเราไปลองทําดู คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปนะในเวลาเดือนสองเดือนนี้แหละเราจะเป็นคนใหม่เราดูนะเอาเท่านี้ก็พอละมีไหมว่ามามรดกการหลวงพ่อครับจิตเป็นยังไงครับผมภาวนามาประมาณห้าปีครับแต่เหมือนที่หลวงพ่อบอกเลยครับปีสองปีแรกผมไม่รู้จักวิปัสนาและกรรมฐานคืออะไรอะ หลับหูหลับตานั่งเพ่งอย่างเดียวเลยครับแรกๆ ก, ก็สงบสุขแล้วก็อยากจะได้อย่างนั้นอีกแต่หลังๆมาก็จะปวดหัวเพ่งจนปวดหัวครับสมน้ําหน้า <c oughs> แล้วหลังๆมาก็มาประมาณปีที่สามครับมาฟังหลวงพ่อแต่ฟังแรกๆก็ไม่รู้เรื่องนะว่าหลวงพ่อเทศเรื่องอะไรผมฟังก็งงจะเพ่งอย่างเดียวครับ <c oughs> จะให้มันสงบสุขอย่างนั้นเหมือนเดิมเออครับแต่ก็หลังๆก็ลองทําตามที่หลวงพ่อบอกครับผมก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆ จนมีสองสภาวะครับจะมาถามหลวงพ่อครับครั้งแรกคือก่อนนั้นรู้สึกไม่สบายครับแล้วก็นอนมันหายใจไม่ออกะครับหายใจติดขัดนะครับยังไม่ได้ไปหาหมอนะหลวงพ่อแต่ผมก็ไม่นึกอะไรไม่ออกก็ทํานึกตามที่หลวงพ่อบอกครับคือจเจริญสติไปเลยดูไปเลยระหว่างที่ผมดูครับมันก็เห็นเห็นเห็นอันแรกครับคือเห็นความกลัวมันลอยฟึบออกมาเป็นกลัว ได้ทีจิตมันก็ดีดออกมาดูไอ้ตัวที่มันนอนหายใจไม่ออกติดขัดอยู่ครับอืนอนหายใจไม่ออกแต่เราไม่มีความรู้สึกอยู่ในร่างกายนั้นผมอยากจะรู้ว่าอันนี้มันเหมือนเรียกว่าแยกขันหรือเปล่าใช่มันก็จะเห็นนะความกลัวกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันนะร่างกายกับจิตก็คนละอนกันอย่างนี้แหละแยกขันครับถ้าแยกได้แล้วเราจะเห็นเลยไอ้ตัวที่นอนอยู่ไม่ใช่เราหรอกเราสั่งมันไม่ได้ครับความกลัวมันก็ไม่ใช่เรานะมันมาเองไปเองครับนะ หัดดูอย่างนนแหะครับแล้วก็สภาวะที่สองคือตอนที่ล้างรถนะครับล้างรถอยู่ก็รู้สึกตัวไปด้วยคือขัดไปเคลื่อนไปรู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปเตอนนั้นแฟนมาเรียกอะครับพอมาเรียกปุ๊บพอเราหันพอได้ยินเสียงแฟนเรียกปุ๊บเหมือนตัวเองมันหายไปอะครับแล้วก็ไปหูไปได้ยินแล้วก็หันไปมองคือมันเกิดดับเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆครับผมก็ใช้ได้ เห็นอย่างนี้นก็ดีนะจะเห็นเลยจิตทํางานเป็นขณะขณะนะครับครับนั่นแหละครับขณะที่เห็นก็ไม่ได้มารู้ที่นี่ครับขณะที่ได้ยินก็ไม่ได้เห็นไม่ได้รู้ ต, ตัวเราดับไปเลยครับแล้วไปเกิดไปเกิดอย่างเนี้ครับเกิดนั่นแหละเกิดเป็นสเต็ปสเต็ปไปเป็นขณะขณะไปนั่นเรียกถูกแล้วครับแต่ตรงเนี้ยที่พูดมาก็ใช้ได้นะนี่หลวงพ่อถามว่าจิตขณะเนี้ยเป็นยังไงก็เป็นธรรมดาหรือเปล่าขณะนี้ ก็เป็นธรรมดาครับตื่นเต้นเล็กน้อยครับจิตธรรมดาเหมือนตอนนี้เลยถ้าจิตธรรมดาเหมือนตอนนี้ยังติดเพ่งอยู่คนั่นแหะผมชอบติดเพ่งตลอดเลยครับประจําเลยครับก็อย่าไปชอบมันสิก็ชอบมันก็ติดสิเวลาถ้าจิตติดเพ่งนะให้ดูร่างกายบ่อยๆครับให้ชิดเลยชิดพิจารณาร่างกายนะผมคนเล็บฝันหนังด้วยเองจะดู แต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยงไม่สวยไม่งามคิดไปลืดเองการที่เราใช้ความคิดพิจารณาเนี่ยจะทำให้จิตเคลื่อนออกจากการติดเพ่งเป็นอุบายแก้เพ่งดังั้นการคิดพิจารณกายเนี่ยเป็นอุบายแก้เพ่งเนียไปคิดไป ม, มันฝืนใจนะเพราะมันอยากอยู่นิ่งๆเราบอกให้ไปคิดเนี่ยอ้าเหนื่อย ม, มันไม่อยากต้องดัดนิสัยมันนะ านั้นเดี๋ยวมันติดเก้งกับนมันส ก, การหลวงพ่อนะคะเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วนะคะเป็นะมะเร็งเ น, นมนะคะก็ได้รับการผ่าตัดแต่ตอนนั้นกลัวมากนะคะขนาดที่อยู่หน้าห้องอะจะผ่าตัดแล้วแต่ก็ได้ฟังธรรมของหลวงพ่อมาหลายปีนะคะก็ลองทำสมาธิดูนะคะก็รู้สึก เริ่มจะไม่ค่อยกลัวก็ทำไปเรื่อยๆรู้สึกเห็นร่างกายของตัวเองว่าเออนี่มันเราจะเราจะเจ็บไหมเราจะปวดไหมถ้าเกิดเราเข้ารับการผ่าตัดแต่เมื่อดูตรงนั้นแล้วเนี่ยเออเราเรารู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่ของเรานี่นาแล้วเราจะกลัวไปทำไมก็เลยภาวนาไปเรื่อยๆไม่ทราว่าอย่างงี้ถือว่าไปเรียกจิตสงบไหมคะก็ได้ความสงบเลยนะคิดไปแล้วใจก็สงบ แต่มันยังเจือการคิดพิจรารณาเพราะงั้นมันเป็นสมถะนะแต่ได้ความสงบก็ยังดีแต่ก็แต่ก็ไม่รู้สึกกลัวอีกอีกเลยนะคะนั่นแหละเวลามีความกลัวนะเราก็คิดพิจารณาสอนมันไปร่างกายมันก็อย่างนี้ไม่หวงอะไรมันนะหายกลัวหมหายกลัวเพราะมันผ่านการคิดมาการพิจารณามาอันนี้เป็นการหายด้วยสมาธิด้วยสมถกรรมาฐานใช้การพิจารณาเอา แต่ถ้าเป็นวิปนะัสสนาเนี่เห็นความกลัวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความกลัวกับจิตเป็นโคลานกันนะไม่เกี่ยวกันมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปอย่างนั้นเป็นวิปัสสนาแต่ได้สมถะก็ดีแล้วนะเกิดฉุกเฉินเราต้องตายตอนนั้นนะไม่ไม่ไปที่ต่ําหรอกนะไปก็ไปดีเลยขับนมัสการขับนมัสการหลวงพ่อค่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะตำรวจรู้สึกไหม พอเขาส่งไมค์กันเนี่ยจิตเราวิ่งไปอยู่ที่เขาเนี่ยเราไปหันไปดูเขาใช่ไหมเวลาที่ขนาดที่เราดูเขาเนี่ยเราเห็นเขาแต่ในขณนะนั้นเรามีร่างกายเราก็ลืมลืมตัวเองไปแล้วความรู้สึกของเราเราก็ลืมไปแล้วอันนี้แหละคือภาวะที่เรียกว่าขาดสติหรือ่หลงเราเห็นเขาแต่เราลืมตัวเองนะจิตเนี่ยจะหนีตลอดเดี๋ยวก็หนีไปดูเนี่ยเห็นเขาส่งไมค์กันเราก็อยากดูใจก็วิ่งไปดู เพราะเหตุนี้แหละรถถึงติดเวลารถชนกันสักคู่หนึ่งนะติดทั้งถนนเลยติดสองฝั่งเลยเพราะว่าทุกคนจะต้องส่งใจไปดูนันจะลืมตัวเองใคใอยๆอย่าไปดึงไว้นะหลงได้นะหลงได้หลงไปแล้วรู้รู้ว่าใจเราไหลไปอยู่ที่คนนี้แล้วรู้ทนันไม่ห้ามถ้าห้ามเนี่ยใจจะแน่นถ้าใจแน่นเมื่อไหร่ให้รู้เลยว่าทำผิดแล้ว เราปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อเก็บกดไม่ใช่บังคับให้มันเครียดนะเราปฏิบัติธรรมเพื่อจะรู้ทันใจของเราใจเราหนีไปหาคุณคนนี้แล้วรู้ทันใจมันหนีไปที่นี่แล้วรู้ทันให้รู้ทันมันไปเรื่อยๆถ้าเรารู้ทันมันเราก็จะรู้ความรู้สึกได้เราไม่รู้ทันมันเราจะเห็นเขาถือไม้เราก็ไปดูเขาใช่ไหมเราก็ลืมความรู้สึกของตัวเองลืมร่างกายของตัวเองงั้นตรงที่ขาดสติหรือการที่ลืมกายลืมใจเนี่ยทําให้เราภาวนาไม่ได้ แล้วนะก็คอยรู้สึกตัวบ่อยๆวิธีรู้สึกตัวบ่อยๆไม่ใช่บังคับให้รู้สึกให้รู้ว่าหลงไปให้รู้ว่าจิตไหลไปถ้าเรารู้ว่าจิตไหลไปปุ๊บมันจะรู้สึกตัวอัตโนมัติขึ้นมาแล้วยิ่งเราหัดบ่อยๆนะจิตไหลเรารู้ไหลเรารู้นะต่อไปนะมันจะเหมือนเราตื่นอยู่ทั้งวันเลยภาวะแห่งความตื่นจะเกิดขึ้นจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมันจะเห็นว่าทุกอย่างนะร่างกายโลกข้างนอกหรือกระทั่งความรู้สึกเราเนี่ย เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองเมื่อมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะอะไรจะเกิดขึ้นนะ่ะจิตใจจะไม่หวั่นไหวเลยงั้นต้นทางการปฏิบัติอยู่ตรงที่รู้ทันใจที่ไหลไปนี่แหละะอ้าว่ามาส่งการบ้านในรอบสิบเดือนเอาอีกแล้วไหลอีกแล้วเห็นไหม <c oughs> หันไปดูเขาปุ๊ลืมตัวเองอีกแล้วเนี่ย <c oughs> หัดอย่างนี้นะหัดรู้ทันว่าว่าหลงไปแล้วไม่ใช่หัดไม่หลงนะถ้าพยายามจะไม่หลงใจจะเครียด ให้รู้ทันว่ า, วาหลงไปแล้วมันจะพอดีเป๊ะเลยอ้าว่ามาเห็นใจที่อยากพูดไหมเห็นค่ะ เ, เห็นแล้วดูก่อนยังอยากพูดอยู่อยากพูดอยู่ค่ะให้รู้ทันใจที่อยากมันดันขึ้นกลางหน้าอกเนี่ยะนะดูไปก่อนอ่าพูดได้หาอยากแล้วขอบพระคุณค่ะโยมไปปฏิบัติหลวงพ่อให้การบ้านมาสิกเดือนที่แล้วให้โยมเห็นเหมือนคืนคนอื่นนะคะ แต่รู้สึกเหมือนกับโยมไม่มีพัฒนาขึ้นมาเลยอะค่ะไม่จริงหรอกรู้สึกไหมความรู้สึกตัวเราชัดขึ้นค่ะนะนั่นแหละพัฒนานะจิตใจเราโปร่งโล่งเบาขึ้นดูออกไหมค่ะนะรู้สึกตัวสบายๆนั่นแหละคือพัฒนาการอะหลวงพ่อให้การบ้านโยมด้วยค่ะเห็นใจที่โลภไหมใช่ค่ะนั่นแหละการบ้านดูทุกวันเลยเหรอคะ แต่มันอยากได้อ่ะค่ะนั่นแหละไปดูใจที่โลบนั่อแหละตัวหลักเลยขอบคุณนะคะขอบพระคุณค่ะมรดการหลวงพ่อเจ้าค่ะดีใจมากที่หลวงพ่อได้มาจังหวัดอัางทองออก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณสองสามเดือนเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงเจ้าค่ะเออที่พูดมานะคือทำได้บ้างนิดหน่อย ใช่ได้นะใจก็อยากตั้งมั่นตามหลวงพ่อแต่ก็ได้นิดหน่อยเต็มทีได้นิดหน่อยก็ดีกว่าไม่ได้เ ล, ลยให้ดูทันรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปนะใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจดีก็รู้ใจหงุดหงิดก็รู้นะรู้ทันไปแต่และ ว, วันแต่และเวลาใจเราไม่เคยเหมือนกันเลยนะี่คอยรู้ทันความรู้สึกไป แล้วถ้าหากดูจิตใจไม่ออกรู้ดูความรู้สึกไม่ออกนะก็ดูร่างกายของโยมใช้ได้นะโยมเห็นไหมร่างกายกับใจมพล่เป็นปคนละนั่นแหละขันมันเริ่มแยกแล้วนะบางครั้งเดินไปก็ดูว่าร่างกายเดินนั่นแหละดีเป็นคนดูนะขันมันแยกได้แล้วนะฟังซีดีมากี่เดือนประมาณสองสามเดือนเจ้าค่ะสอสามเดือนพอนาแยกขันได้แล้วแต่ไม่ค่อยมีมันนะเลยเจ้าค่ะพอทําแล้วคอยอยากจะ เหนื่อยนอนอย่างเงี้ยไม่ค่อยมานะเลยไม่ใช่มานะเขาเรียกวีริยะยังไม่มีความเพียรมานะไม่ดีนะมานะเป็นชื่อของกิเลสมากูเก่งกูแน่หรือมึงแน่ว่ากูอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่ามานะาขยันหน่อยนะวิธีที่จะทําให้ขยันเนี่ยพิจนารณาลงไปว่าเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ เราอาจจะตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ก็ได้มัวแต่นอนทำไมจะต้องรีบนอนอีกหน่อยก็ต้องนอนนานเลยนะชีวิตเราอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะงั้นมันจะขยันพอนานน ะ, ะว่ามามันสนสนใจค่ะหลวงพ่อจิตออกนอกมองเห็นไหมจิตเป็นเจ้า อ, อไปนี่เหรอคะคุณเจ้ามาลองลองหายใจซิหายใจแล้วรู้สึกตัวกลับเข้ามาเออเข้ามาแนละ้วแต่ใจไม่เหมือนกัน เมื่อกี้มันเจ้าออข้างนอกไปนะกนเจ้าออข้างนอกแล้วคันดูไม่ออกตัวเนี้ดูยากดูไม่ออกจริงเออถ้าดูออกมันก็คงพ อ, งพองนามบรรลุมากคผลกันหมดแล้วละใจเมื่อจ้าหนียอยวไปนะถ้าใจจ้าจ้าเนี่ยจะมีความสุข จ, จ้าจะสบา ย, ยานะเปสุขแล้วค่ะหลวงพ่อหนูมีความรู้ออออออสึกว่าช่วงนี้หนูแย่มากเลยค่ะไม่มีอะไรหนูไม่ได้แย่เลยอะช่วงนี้หนูฟุ้งซ่านนิดหน่อยเท่านั้นไม่หน่อยเลยค่ะ น่าผมชอบพูดให้กำลังใจมันเป็นยอดเป็นเล่าฟงซ่านเท่านั้นแหละไม่ได้เป็นอะไรมากใช่มันเหมือนหนูหนูชอบเป็นจมอยู่กับความคิดเหมือนไปแช่เลยค่ะนั่นแหละนั่นแหละเป็นช่วงเลยนะโอที่ถึงบอกไงจิตมันไหลไปอ่ะไหลไปข้างนอกอ่ะอันนี้ใช่ไหมคะที่ไหลไปข้างนอกใช่แต่เวลาหนูแช่แล้วหนูทุกขอ่ะหนูก็ไม่ได้อยากแช่นะคะแล้วต่หนูบังคับมันไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปแช่แก่รู้ทันว่ามันแช่ ถ้าเวลาจิตกับอารมณ์นะจีบแช่อารมณ์นะให้ดูเข้าไปตรงๆเลยรู้เข้าไปตรงๆว่ามันแช่ถ้ารู้เข้าไปตรงๆมันจะหลุดออกมาถ้าถ้ายอมมันนะโอ้ถูกแช่อยู่แล้วออกไม่ได้ถ้าลำพันธ์ไปงี้นไนะไม่ออกหรอกมัติดอยู่กันเลยแล้วมันก็โมโหด้วยค่ะหลวงพ่อดูเข้าไปตรงๆโมโหดูเข้าไปตรงๆว่าโมโหแช่อยู่ดูเข้าไปตรงๆว่าแช่จริงๆหนูก็พอรู้คําตอบหลวงพ่อแต่มันเหนือนกับ ไม่ไม่ถ้าจิตอ่ะมันออกข้างนอกจิตมันก็กระจายไปมันก็เลยดูไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ทานแล้จิตกระจจายเราวกกลับเข้ามาดูนะนย้อนเ <ใจ S 2> ข้ามาดูเออฮึดซู่นี่<ช>นดูไปใจกําลังจมอยู่กับความฟุ้งซ่านเยดูลงไปใจจมในความฟุ้งซ่านดูไปตรงตรงเลยก็จะหลุดออกมา<ช> แ, ลแล้วมันจะไม่ขี้ลำพันหรอกไม่ขี้ลำพึงลำพันใช่ไหยคะ หนูเข้าใจว่าหนู่โมโหตกลงมันลำพึงลำพันใช่ไหมคะผิดตัวมันชอบลำพึงลำพันคำครวรนะคะเออไม่กล้าครวนถูกให้ดูเข้าไปตรงๆเลยมันเป็นมาบ่อยช่วงนี้นานเลยเพราเคยชินอะไรนะมันเป็นบ่อยและช่วงนี้เยอะดูเข้าไปตรงๆเลยอย่าไปยอมมันสิเรานี่ยพอ ความทุกข์มาถึงนะถ้าลำพันไปเรื่อยๆห <c oughs> างงอนอย่างนี้ไม่หายหรอกไม่มีใครได้ดีเพราะการลำพันหนูวกกลับมาดูกายเลยได้ไหมไม่ได้อยา่างนั้หนห น, นีให้รู้ทันใจที่ลำพึงลำพันให้รู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านให้รู้ใจที่ไม่มีความสุขเ น, นี่ยอย่างนี้ใช้ได้นะที่ดูอยู่เนี่ยลำพันอีกแล้วเห็นไหม <c oughs> อยเนี้ยขึ้นมาเนี่ยใจมันตันขึ้นมาแบบเนี้ยนะรู้ทันมันอะไรอย่ไปยอมมันรู้ถอนหายใจบ่อยด้วยอ่ะช่วงถอนหายใจก็ได้เวลากรุ่มใจนะถอนใจไปไม่เห็นจะเป็นไหลเลยเวลาถอนใจแล้วใจมันจะผ่อนคลายลงแล้วก็รู้ทันนะตอนนี้ใจมันเครียดถอนใจปุ๊บใจผ่อนคลายรู้ว่าผ่อนคลายเนี่ยดูอย่างนี้อย่าไปยอมจมแช่นิ่งๆให้จิตจมอยู่ในอารมณ์ก็เหมือนน้านะนิ่งๆก็เน่าเนิ่นสิท้อ อันอยู่ทางนี้ข้อนึ่ค่ะคือหนูเนี่ยจะไม่ได้มีรูปแบบการปฏิบัติที่ตายตัวแต่หนูก็จะพยายามเหมือนหนูเดินไปที่ไหนหนูนึกได้หนูก็ดูเลยอย่างนี้ค่ะได้ได้ไหมคะพอไหมคะเดินซิเดินให้ดูได้ไห ม, ไมดูเลยค่ะออกมาเดินเนี่ยดูซิเนี้ยทําได้จริงเปล่าอ้าวแล้วทําไมตอนนี้ไม่รู้สึกล่ะ อาละพอนั่งนะรู้สึกไปอย่างนั้นแหละเอรู้สึกได้กราบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะส่งกันบ้างครั้งที่แล้วหลวงพอ่อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสัเขตแม่ตอนที่เขาลุกขึ้นขยับไปขยับมาใจเราหนีไปหมดเลยรู้สึกไหมใจเราไปอยู่ที่เขาแล้วจะโผลอ่ออกมาเดินยังเนี่ยใจเราจะไปอยู่ที่เขาให้รู้ทันใจที่ไหลไปอย่างเนี้ยเอาว่ามา ส่งกันบ้านครั้งที่แล้วค่ะหลวงพ่อบอกว่าไม่ให้รักษาค่ะให้ใจถึงถึงหนูก็พยายามที่จะไม่รักษาค่ะแล้วก็แต่ก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่เราถ้าไม่รักษาเนี่ยมันก็จะเผลอไปบ่อยๆหนูก็จะพยายามที่จะเพ่งไว้เบาๆค่ะหลวงพ่ออย่างนี้ถูกไหมคะเพ่งเบาๆลองทําให้ดูสิอย่างนี้แรงไปอย่างนี้เพ่งแรงไป เฮงแรงใจอยตื ต, ตื้อซื้อบื้อไปเฉยๆนะไม่เอาอย่าทําเลยใจกล้าๆหน่อยนี่แหละอย่าไปรักษามันหลวงพ่อขาใจใจกล้าๆเนี่ยค่ะทิ้งเลยใช่ไหมครหลวงพ่อใจกล้าๆเนี่ยหมายถึงว่าไม่กลัวว่าจะไม่ดีถ้ากลัวมันไม่ดีนะใจไม่ถึงนะรักษาอยู่นั่นแนหะรักษามันก็ได้แค่นี้แหละมันไม่พ้นทุกข์หรอกมันจะได้เป็นคนดีแต่มันไม่พ้นทุกข์หรอก ใจกล้าๆหน่อยปล่อยมันไม่ดีก็ได้ไม่ผิดศีลก็พอหรวงพ่อค่ะขอการบ้านด้วยค่ะนี่ไงกล้าๆไว้เอาแค่ไม่ผิดศีล น, นะส่วนจิตเนี่ยดีบ้างร้ายบ้างให้มันดีไปให้มันร้ายไปแล้วคอยรู้เอาไม่ใช่ต้องดีตลอดนะเราไม่ได้ฝึกเอาดีเพราะความดีมันไม่เที่ยง ไม่ได้ฝึกเอาสุขพะความสุขมันไม่เที่ยงไม่ได้ฝึกเอาความสงบพความสงบก็ไม่เที่ยงเราฝึกเพื่อให้เห็นความจริงกายนี้ใจนี้เป็นของไม่คงที่เป็นของบังคับไม่ได้นะฝึกเพื่อให้เห็นความจริงได้เห็นความจริงแล้วจิตจะปล่อยจิตปล่อยจิตก็ไม่ทุกข์หรอกกราบขอพุ่งพ่อค่ะค่ะขอกาบในพิธีกรลงพ่อค่ะยังไม่เคยส่งกันบ้านอืมก็ก็ อยากจะถามหลวงพ่อคือครั้งแรกเลยก็คือนั่งนั่งดูตัวเองหายใจเสร็จแล้วพอมาตอนหลังก็บริกรรมพุทโธเร็วๆก็เลยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วยังไงจะดีกว่ากันนะคะยังไงก็ได้นะถ้าไม่ขาดสติอย่างเราบริกรรมพุทโธเร็วๆ เ, เนี่ยเวลาที่ใจมันฟุ้งซ่านมันอยากคิดมากนะเราพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้มันจะได้ไม่ฟุง้งจะได้ความสงบนะ หรืออะไเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูถ้าเราไม่ฟุ้งมากนะเราก็ดูร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูไปถ้ามันฟุ้งมากเอาไม่อยู่เราก็พุดโธเร็วๆไปก็ใช้ได้ทั้งสองวิธีได้อะไรก็ได้ที่สําคัญคือฝึกให้มันรู้สึกตัวไปเราตื่นมั้งหรือยังครับตื่นแต่คิดเยอะไปนะเป็นโรคคิดมากนะเป็นไหมเป็นค่ะนะยังเป็นโรคคิดมากอยู่ใช่ใช่ค่คิดมากยากนาน คอยรู้ท่านนะดูร่างกายดูจิตใจเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจเห็นจิตใจสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วดูกายเขาทํางานดูใจทํางานดูบ่อยๆนะที่นี่หลวงพ่อชมนะพวกเราสนใจฟังธรรมะกันดีทั้งทังที่บางคนเนะี่ยไม่เคยฟังหลวงพ่อเลยก็อุตาหตั้งใจฟังอุตสาหสนใจ เป็นจุดตั้งต้นที่ดีนะถ้าเราสนใจเปิดใจให้กว้างเรียนรู้สิ่งใหม่เอาซีดีไปฟังอะไรไปไม่นานหอกชีวิตเราก็จะดีขึ้นดูคนที่เขาส่งกันบ้านสิเมื่อครั้งเขาเขร้ายไม่ใช่ดีหรอกแต่ละคนอะเนี่ยเขาภาวนาเขาก็ดีขึ้นนะหน้าตาดูแต่ละคนหน้าตาใสโชว์หน้าให้เขาดูหน่อยได้ไหมไครกล้า